พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่19มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าอยู่ไม่ถึงร้อยปีหนีใครหนีมัน ต่างใจสมาทานศีลวันนี้นะว่าเป็นศีลพิเศษนะคณะสัาย า, าติโยมโลูกหลานเพราะว่าเป็นวันเป็นศีล เ, เป็นศีลวันเกิดของหลว ง, ลวงพ่อคำสดอรุณ โ, โนหรือว่า ชื่อตำแหน่งของท่านพระครูบริหารสมราธิคุณที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราพวกเราก็ควรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงพ่อสดของพวกเราเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะบูชาพระคุณยิ่งกว่าคุณงามความดีในจิตใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราเ พอถึงวันครูบาอาจารย์เรียกว่าเป็นที่รักเคารพของเราเรากินเหล้เาเมาสุราเรียกว่าเล่นการพนงพนันทำความชั่วเสียหายาไปขโมยไปปล้นไปคดไปโกงไปอะไรเขาเน่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เชิดชูบูชานะพวกเราต้องสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เ, อเป็นผู้มีศีลเพื่อบูชาพระคุณท่าน อ, าอันนี้คือทางที่ถูกต้อง นะถึงจะเอาเงินคำทรัพสมบัตเิเอามาถวายท่านก็ใช่อันนั้นเป็นอามิตรบูชาเป็นเป็นการบูชาอย่างหนึง่งถ้าว่าปฏิบัติบูบชานี่จะเลิศกว่าอามิตรบูชานี่ก็ได้ดีในระดับดีทีเดียวแต่ถ้าว่าปฏบิบัติบูชาเข้าไปทั้งสองอย่างอามิตรบูชาด้วยปฏบิบัติบูชาด้วยอันนั้นเลิศเพราะนั้นขณะนี้พวกเรา ทีแรกเราก็ได้อ่านพิชปูชาได้ทําบุญตักบาทพระสงฆ์ต่อ น, นี้ไปพวกเราก็จะได้ปฏิบัติปูชาเพื่อเราจะได้รักษาสินรักษาศินคือสำรวมกายว่าจะให้เรียบร้อยอย่างที่หลวงพ่อจะได้เป็นผู้พานำํำเป็นผู้พานำศรัทธาญาติโยจจมสมาทานสินอันดับแรกหลวงพ่อไปน่าจะทานที่ใดหลวงพ่อจะกล่าวแต่เทนี้ลูกหลานนานแล้วหลวงพ่อไม่ได้พูดได้กล่าวลูกหลานก็คงจะหลงลืมนะ หลวงพ่อจ ะ, จะ เ, ลเล่าแบบรวบรัดให้ฟังอันดับแรกหลวงพ่อจะว่าภาวานโมนาโมคืว่านา โ, โ, โมตัสสะสมครั้งข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันหนึ่งคือก่อนที่เราจะรับสินเพราะสินนี้ไม่ใช่สินของผู้ใดไม่ใช่สินของหลวงพออ่ออินไม่ใช่ศินคูบาอาจารย์ท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นสินของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเพราะฉะนั้นเวลาเราจะรับสินก่นนอบน้อมพระพุทธเจ้าคือต้น าศาสตราต้นศาสนาบรมครูต้นความคิด น, นกรจังหวัดนมโมตัศสะจากนั้นกับพุทธทางธรรมังสังขังสรนาคัฉามิข้าพเจ้าขอยึดผู้ดีคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระพุเทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้เลิศกว่ามนุษย์เทวดามนุษย์ทั้งหลายเราก็ยึดท่านเป็นแบบอย่างแล้วกัพระธรรมคําคสอนของท่านที่ประกาศออกมาเป็นพระธรรมที่เรายอมรับ ว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลจริงข้าพเจ้ายอมรับในพระธรรมคําสอนนั้นข้าพเจ้าจึงยึดพระธรรมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแสงขังสารนังคัตฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติเกเรปฏิบัติที่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยปฏิบัติที่มีกิเลสราคะโทสะโมหนะข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับ ข้าพเจ้ายอมรับแต่พระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นผู้ดำรงทรงศาสนาได้ประกาศพระศาสนาได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่มาแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราได้รู้พระธรรมของพาะว่าพระสงฆ์เป็นผู้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวพวกเราก็ไม่รู้นะ พระพุทธศาสนาก็คงจะหมดแต่ในยุคนั้นแต่บัดนี้พระสงฆ์ได้นาพระธรรมคําสอนออกมาบอกกล่าวพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งคือยึดท่านผู้ดีเป็นยึดท่านผู้มีพระคุณจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์สีตปาณาติปาตาเวรมณีข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาเขาฆ่ามาฆ่าเราเราฆ่าเขาถ้าเราไปฆ่าเขาใช่เราฆ่าคนอื่นเขาเราชะใจ เผลอได้กินเขาอีกต่างหากแต่เมื่อเขามาฆ่าเราละเรามีความรู้สึกยังไงในขณะที่เขาฆ่าเราเใจยังไม่ขาดกําลังจะเจ็บป่วยกําลังใจจะขาด เ, เรามีความรู้สึกยังไงเราเสียใจมากเพราะอหไรเพราะเขามาฆ่าเราเราสู้เขาไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแลว้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีในการอยู่ด้วยกันให้เมตมีเมตตาต่อกันเรียว่าปาณาติปาอยาฆ่ากันเทวที่สองอย่าขโมยกัน เมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเมื่อเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นอย่างขโมยกันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิชานจาราวีรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงเหนถ้าเราก็รักเขาก็รักถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีผิดกฎหมาย เราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีจะไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกเขาเไปเขียนเช็คแดงให้กับเขาเไปหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่4สุราเมรยะมัชชะข้อที่หสุราเมรยะมัชชะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถ้าเราดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดติเมื่อคนขาดจิตแล้วทําความชั่วดีทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะลาลาประร้วงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โก็หกใครก็ได้เพราะคนขาดติเพราะนั้นพวกเราดีๆทําไมจึงให้ขาดจิตไปดื่มทําไมเราก็รู้อยู่แล้วดื่มเข้าไปแล้วมันขาดติเมื่อขาดติเราทําไงเสียหายเพราะนั้นเราจะเสียหายไหม เพราะนั้นเสียงเหล่านี้ศีลของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาวิเคราะห์เรามาพิจารณาดูแล้วเป็นศีลที่คุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเพรนั้นเราเจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านเป็นผู้ดีที่มันประกาศพระศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีลนะทีนีนะ้ในเมื่อรับศีลวันนี้ให้ศีลบริสุทธิ์นะลูกหลานให้รักษาศีลทั้งวัน จะดีเพราะว่าศีลวันนี้เป็นศีลที่เราเคารพในท่านหลวงพ่อสดของพวกเราเพราะนั้นพวกเราในฐานะ ล, ะลูกหลานศิษยานุศิษย์ควรจ ะ, ะสมาทานศีลให้บริสุทธิ์ตลอดวันตลอดคืนเน้อลูกหลานเน้อตอนนี้ไปรับศีลที่นี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนโะโภกสัมปันดาสีเลนะเนปูติงยันติจัตมาสีลังวิโสทะเยนี่ล่ะวันนี้หลวงพ่อพ่อครูบริหารสมาธิคุนหลวงพ่อคำสดอรุณโอถวายวันเกิดของหลวงของท่า น, นวันที่ 18-19 มิถุนายน์พุทธศักราช2559 ถวายปัจจัยหลวงพ่อ1นึ่งหมื่นบาทนะแต่หลวงพ่อก็จะมอบให้กับวัดของท่านนั่นแหละนะหลวงพ่อไม่ให้ใบไม่ไปเบิกก็หรอกหลวงพ่อให้ถวายคืนเผื่อท่านได้ใช้อะไรถวายพระครูบาอจารย์องค์อื่นพ่อเป็นภาระมากอยู่แต่หลวงพ่อนี่แก่แล้วคงไม่ได้ใช้อะไรมากแล่ะหลวงพ่อแก่แล้วไม่ได้ใช้อะไรมาก เออพวกปู่อยู่ข้างล่างจะพวกคุยกันหนะ้าลกูกหลานอยู่ในความสงบอย่าเพิ่งพูดในโอกาสนี้ไม่ยังไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสให้พูดแต่อีกสักวันหนึ่งใครพูดเก่งเนะี่ยหลวงพ่อจะขึ้นให้ขึ้นบนเวทีร้องเพลงให้หมูเพื่อนฟังถ้าชอบพูดนะเ อ, อ่ยกมือขึ้นมาแล้วนะลูกหลานนะใครอยากจะพูดนะเออหลวงพ่อจะให้ร้องเพลงให้หมูเพื่อนฟัง ถ้าหาว่าอย่างนั้นอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งออกเสียงในขณะนี้เพราะหลวงพ่อจะเป็นผู้ออกเสียงผู้เดียวซะก่อนไม่นานนะั้นหลวงพ่อออกเสียงไม่นานจากนั้นก็หลวงพ่อกระชับฉันจังหารให้พรแล้วนะทีนี้ลุกหลานนะ้าอ้าวอยู่ในความสงบแล้วหลูกลานทุกคนนะ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระใหญ่อีกหน้าลูกหลานนะเอ่ออีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นวันเข้าพรรษาและก็วันนี้เป็นวันสาคัญยิ่งของวัดป่าบ้านเพิ่มของพวกเราอ่เป็นวันเกิดของท่านอาจารย์พระครูบริหารสมาธิคุณหลวงพ่อคำสดอรโรโอ ท่านเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2490นะวันเกิดของหลวงพ่อคำสวดของเรา เ, าเกิดที่ตำบลว่านแจ้งอําเภออาจสามารถจังหวัดรนะ้อยเอ็ดอุปสมบทเมื่อ21มิถุนายน2511นะพรรษาของท่านเดี๋ยวนี้พรรษาของหลวงพ่อคำสวดนะ49พรรษาอายุ69นะ อ่อนกว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่อ in, อินกำลังโคตรที่นี่พันศาห1านะแต่หลวงพ่อบวชเป็นเนนแต่ตรงพ่อคำสดคงไม่ได้บวชเป็นเนรนะหลวงพ่อบวชเป็นเนนจุ8ปปีเป็นพระ51พันศารวมแล 59, นะ้ว9เชีวิตของหลวงพ่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนา59ปีอายุ72ปีนี่นะลูกหลานนะเเต็มเมื่อวันที่27เเมษา เดี๋ยวนี้กำลังเข้า72แต่หลวงพ่อคำสดในหกสาพันสา 49, นะ่า อ, อ, อายุ69เกก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้หนึ่งในในละแวกนี้จากนั้นท่านก็ได้ลงไปกรุงเทพเโปรดสัตายาติโยมกรุงเทพไปบ่อยนะหลวงพ่อคำสดของพวกเราเพราะนั้นคณะสัตายาติโยมได้มาวันนี้ก็ล้นหลามเห็นและก็อบอุ่น กับพี่น้องประชาชนที่มาเคารพคารว ะ, ะหลวงพ่อคําสดไม่คาดคิดเหมือนกันวัดป่าบ้านเพิ่มแห่งนี้เป็นอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ในหุบเขาขนาดนี้พี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมจึงหลั่งไหลเข้ามาเคารพคารวะเพราะว่าท่านหลวงพ่อสดท่านมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 2,531 นักนักศรัทธาญาติโยมลูกหลานจากนั้นจากนั้นมานับฤกษ์กี่ปี นานทีเดียวเลยเที่ท่านมาปักหลักอยู่ที่นี่วันนั้นขอให้คณะสัทย า, ญญาติโจมทั้งหลายที่มาในงานวันเกิดของท่านก็ให้คิดดีทำดีพูดดีนะคิดดีทำดีพูดดีสิ่งที่มันชั่วเนีย่ยคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าพนะระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะ แต่เมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอ่าอันนี้ให้ฟังเอาไว้นะคณะสัตยาติโธมลูกหลานไม่ว่าอยู่ในระดับไหนถ้าหากว่าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลตัวเองก็ว่าตัวเองฉลาดนั่นแหละแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละเดือดร้อนวันนี้พวกเรามาประกอบคุณงามความดีมาตั้งต้นใหม่ แต่หลวงพ่อเองอยากจะย้ำกล่าวตย้าเตือนพุทธบริษัทของพวกเราทุกๆท่านนะจากนี้ไปจะจะเข้าพรรษาปี 2,559 ให้พวกเราประกอบคุณงามความดีให้ตั้งตนตั้งตัวใหม่ออพอเราเผเลอเลอมานมนานแล้วแต่บัดนี้เราจะเป็นผู้ตั้งต้นตั้งหลักใหม่ในพรรษาปี 2,559 เนี่ยข้าพเจ้าจะ รักษาศีลห้าตลอดไตรามาสสามเดือนได้ไหมอันนี้คล้ายๆกับว่าไม่ใช่วมดถึงวันซะก่อนเราจึงคิดมัวเมียคิดนะเราต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าซะก่อนว่าเออในพรรษาปีห้าสิบเกอายุของข้าพเจ้าก็ น, นานมาถึงขนาดนี้แล้วกี่ปีแล้วพวกเรารู้แก่ใจว่ารู้แก่ตัวเองว่าข้าพเจ้าเกิดมาเราประค่าข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีอะไรบ้างที่จะ เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจเพื่อเก็บสเสบียงไว้ไปในอนาคตภายภาคหน้าขาอหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูนนะครับนักสัตยายา จ, จมตายแล้วเกิดอีกอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูนให้นั่งภาวนาถ้าถ้าพวกเราจิตใจสงบจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งใจที่เป็นอัปปนาสมาธินะ เราจะเห็นได้ว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งเป็นคนละอันกันนะนี่แหละร่างกายเหมือนกับรถจิตใจนามนามัตถุ์ตัวนั้นนะเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ไม่ไม่เหมือนไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่อันเดียวกันนะถ้ารถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายของเรานะถ้าวิ ญ, ญญาณออกจากร่างเสีอย่างเดียวขนานะร่างกายก็หมดสภาพมีแต่มันจะเน่าไปเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆสู่ดินน้ําลงไฟ นี่แหละตัวที่ออกจากร่างตัวนั้นแหะจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆ็พราะพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้ว เ, เพราะนั้นพวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทควรจะคิดจุดนี้ไว้เหมือนกันนั่นแหะควรจะสั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปการส่อแสวงหาทรัพย์ก็ใช่การส่แสวงหาทรัพย์มาเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตเพื่อเลี้ยงร่างกายคล้ายๆว่าเราหานะ้ามันมาเลี้ยงรถอย่างนั้นแหะ แต่อาหารของรถกับอาหารของเราในต่างกันนะอาหารของรถคือน้ำมันน้ำมันเครื่องแต่อาหารของคนนี่มีอย่างที่พวกเราได้ทานอาหารน่ะมีหลากหลายอาหารของมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันนะอาหารของใจกับอาหารของกายได้ต่างกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราหาอาหารเข้าสู่ใจวันนี้นะ่ะพวกเราเนีมาร่วมมารวมกันมาทําบุญในวันงานวันเกิดของหลวงพ่อคําสดเราหาอาหารเข้าสู่จิตใจของพวกเรา เพราะนั้นพวกเราเมื่ออาหารอยู่ในจิตใจของเรามีพร้อมแล้วนะพวกเราจะมีแต่ความสุขกายสุขใจเพราะเหตุไรเพราะเรานึกขึ้นมาเมื่อไรเออผู้ฆ่านี่เกิดมาไม่ได้เสียชาติเกิดมาชาตินี้ได้ประกอบคุณงามความดีอย่างหลวงพ่ออินเนี่แหละเงหลวงพ่อคำสดนี่แหละท่านบวชมาถึงสี่ถึงสี่สพันษานะหลวงพ่อสดนะหลวงพ่อใน51พันษา รวมทั้งสา ม, มนเณรด้วยกัอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อเสียใจไหมให้มาถามหลวงพ่อคำสดไหมเออหลวงพ่อคำสดท่านบวชมาถึง49ปีเนี่ยหลวงพ่อคำสดเสียใจไหมที่ไม่ได้เป็นคาวาะไม่ได้มีความสุขไม่ได้ยูได้กินไม่ได้ท่องได้เที่ยวเหมือนกับคารวะหลวงพ่อสด เ, อเสียใจไหมหลวงพ่อรับอบอกแต่แทนหลวงพ่อสดได้เลยว่าหลวงพ่อสดจะภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ได้มาบวชก็ไม่ได้ประกอบคุณความชั่วเสียหายอย่างเอิญมีแต่ประกอบคุณงามความดีอันนี้ถ้ามาต่อแทนหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็บอกว่าหลวงพ่ออินภาคภูมิใจยอย่างมากเทียบฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศ า, าสนาเป็นเวลาถึง59ปีอายุ71็ดสเอ็ฝากชีวิตไว้ในในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาห้าสิบปีหลวงพ่ออินภาคภูมิใจมากนะ เพราะราลืกถึงคุณงามความดีตัวเองเมื่อไหร่เราก็สบายใจไ ม, ไม่ไม่ได้ทุกข์ใจเพราะเราเไม่ได้ขีเปียดเบียนใครไม่ได้ลังแกใครชีวิตของชีวิตของเรามีแต่ประกอบคุณงามความดีมีแต่สร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเรานะการสั่งสมคุณงามความดีเมื่อเราเราลึกถึงเราก็สบายใจอย่างอย่างที่หลวงพ่อเลือกถึงชีวิตของตนเองนั่นแหละแต่พวกเรามีแต่ความชั่วนะ คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วมีแต่เรื่องยุ่งเหยื่อยุ่งเหยื่อวุ่นวายจะตลอดพวกเราคิดขึ้นมาเมื่อไรครับไม่สบายใจเมื่อความไม่สบายใจนั่นละจะทำให้พวกท่านทั้งหลายไปสู่อบายภูมิตายไปแล้วก็ไปตกนรกอะไรนี่ไปเกิดเป็นสัตว์ดิบชาญไปในนานาประการได้ทุกอย่างนะลูกหลานเนอะอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นกรรมชั่วจะทาซะเลยดีกว่า เพื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบูรกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจน้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจะเกินไปคําว่าแก่แก่คำนี้แก่ไปหาอะไรเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดในวันในวันเกิดของหลวงพ่อคําสดนะถ้าแต่ว่าตามให้จริงพระกรรมฐานอย่างหลวงพ่ออินก็ดีหลวงพ่อคําสดก็ดี ถ้าไม่ระลึกถึงความตายวันหนึ่งนะ่ยจะระลึกถึงอะไรนะพระพุทธเจ้าวัดดูก่อนอาน o ์ท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอา non กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะอาน o ์เธอตั้งอยู่ในความประมาทเธอไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทระลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งเนี่พระพุทธเจ้ายังว่าตั้งอยู่ในความประมาทอยู่นะคณะทาญ า, ยาิโยมท่านบอกว่า ให้อานนท์ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าก็ใช่ตายหายใจไม่ออกก็ตายนี่แหละ เ, เพราะนั้นพวกเราควรระลึกถึงไว้อยู่เสมอว่า อ, อ, อีกสักวันหนึ่งแกไปอะไรแกไปหาตาย เ, เพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านตายแล้วไปที่ไหนตายแล้วต้องเกิดเอกบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองทีนีเมื่อเรา ออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วนะบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองบาปอักุศลจะเป็นเพื่อนสองของใจถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วบาปอักุศลจะเป็นเพื่อนพาเราไปสู่อบายเจ้าพต่างๆถ้าเราทำำํากรรมดีเรากรำดีนะั่นจะเป็นเพื่อนสองของใจจะไปสู่สุขติในภพภูมิต่างๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนาะ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอยู่ไม่นานนะไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างต่างไปล่ะถ้าระลึกถึงความตายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าระลึกถึงความตายสบายนักหากรักหักโรคหักโกรธหักหลงในสงสารถ้าพอระลึกถึงความตายถ้าไม่เลยลึกถึงความตายที่ตัวที่ว่าตัวเอตตายไม่เป็นนั่นแหะ มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ถ้าวันละลึกถึงความตายแล้วเออข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ขนาดนี้ยังอีกยังยั ง, ย, งยังนานเท่าไหรนะ่น้อข้าพเจ้าจะถึงจุดจบเอา้าข้าพเจ้าจะประกอบคุณงามความดีควรจะสังสมบุญกุศลแนะ่โดยมากพาะกรรมาฐานอย่างหลวงพ่ออินหลวงพ่อคํามสดนี่จะลึกถึงความตายไปอยู่เสมอนะลูกหลานนะวันหนึ่งในะต้องระลึกถึงความตายไมีล่วงกี่ครั้งเหมือนกันถึงยังไม่ถึงร้อยครั้งกั บางทีอาจจะจะมากกว่าเพรบริกรรมพุทโธตายตายตายให้หายใจเข้าหายใจเข้าออกหายใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้เกิดตายเกิดตายใหเอ่นี่แหละแล้วลึกถึงความตายไปอยู่เสมอถ้าพวกเราราลึกถึงความตายอยู่เสมอนะชีวิตของพวกเรานะจะไม่หลงละเริงในกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่เลลึกถึงความตายนั้มีแต่อยากอยากอยาก อยากเนี่ยความอยากตัวนี้โดยมากไปไปอยาไปทางกิเลสราคะบางังโทสะบาั่งโมหะบ้างโลภโกรธหลงนั่นแหละความอยากของกิเลสนะถ้าหากว่าราลึกถึงตัวนี้แปลว่าเบรกเบรกใจของตัวเองให้ประกอบคุณงามความดีเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาเนะ้ออนุโมทนาวันนี้อนุโมทนาเป็นวันเกิดของหลวงพ่อคําสดของเราเพื่อให้ศีลให้พรคณะสัตยาจ่าโยมทุกหมู่ทุกเหล่าด้วย ให้พวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจที่ได้มาทาบุญวันเกิดของหลวงพ่อคำสวดในวันนี้ปรารถนาสิ่งใดบุญบารมีของหลวงพ่อคำสวดขอให้คุ้มครองพวกรเราคณะสัตยาติโฐมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลและธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆข้อ น, นะจต่า ญ, ญาติโยมนะ